แหลกเพียงได้พบศรัทธาจะถูกใจกว่าที่เคยพบ ม, มาอยากเข้าไปคุยเข้าไปทักทายแต่กรองเกรงกลัวเธออยู่เหมือนกันเธอยกแก้วกระดกจนนับไม่ทันเห็นแล้วบาปจริงจริงเธอให้ตายแก้วแรกเธอก็ยังดูเข้าที่แก้วที่สองเธอเริ่มโชว์ของดี ตอนที่เรายืนอยู่ไกลกันแก้วที่สามบรรยาการเริ่มจะมืนมัวแก้วที่สี่หน้าตาเธอรำนากวเธอเล่นชนไม่ถอยมา ไม่เมาเล้าแต่เมรารักเธออยากจะเจอเธออีกสักทีตอนที่มีสเติค่อนข้างดีเพราะว่าวันนี้เธอดื่มมากไป เปลียนไปเป็นคนลาคนกลายเป็นมืดมนจากให้สดใสนางฟ้ากลายเป็นลำยองไปได้ไงเจอเธอตอนไม่เมาคงจะเข้าที่หน้าเธอตอนไม่เมาคงจะสวยดีอยากให้โลกนี้มีแค่เราสองคนอยากบรรยายความรู้สึกที่มีอยู่ข้างในแต่ตอนนี้พูดไปเธอคงไม่เข้าใจ เพราะเธอฉันไม่ไทย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 น้ำร้อนกินสักแก้วหนึ่งส่วนตัวฉันกำลังดีก็แค่พอตึงๆเป็นเพราะฉันไม่เมาเราแต่เมาเรงเมามากแล้วยังนีไม่ไว้ฉันว่าเธอไปพักก่อนกลับไปนอนหาน้ำร้อนกินสักแก้วหนึ่งส่วนตัวฉัน ก็แค่พอตึงๆเป็นเพรฉัน